พูดถึง่งความเพียรนะพูดถึงเร่งกิเลสนะที่มาอยู่ข้ามหมู่เพื่อ น, นมันเป็นเรื่องฝืง้นฝืนเหมือนกั น, นเป็นลักษณะฝื้นฝื้นอยู่ไปเราก็ทราบว่านิสัยคนไม่เหมือนกัน ความเด็ดเดี่ยวอาหารความคล่องแคล่วทางสติปัญญานีันไม่ค่อยแสดงให้เห็นหนี่เ อ, เอที่มันทำให้หนักหนักใจอยู่หยายา ก, ก็เคลื่อนอะไรก็เคลื่อนแสดงว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาความเคลื่อนต่างๆนั้นมันออกมาจากใจที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่รรบพอบถ้าใช้บ้าง ความเคลื่อนคลาดเหล่านั้นก็จะไม่ค่อยมีนี่ที่เคยดูดาว่ากล่าวท่า น, น, นเองอยู่เสมอเป็นเพราะเห็นนี่เองพอตามองไปเห็นมันมีสิ่งที่ขวางตาแล้วว่าสิ่งที่ขวางนั้นคือความบกพร่องของผู้นั้นคําพูดแสดงออกมาเป็นความรอบครอบหรือไม่รอบครอบมันมันก็มาสะดุด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 ในกิจใจก็ดีหรือทำหน้าที่กางรงานอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดเรื่องสติปัญญาจริงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากในวงปฏิบัติเพราะสิ่งภายนอกที่แสดงออกก็สองมาจากภายในวิเลธที่มีอยู่ภายในจะแก้ได้ด้วยวิธีใดถ้าไม่แก้ได้ด้วยความรอบคอบที่แสดงออกนี้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 ความโง่ความฉลาดของตัวเองยังได้เตือนเสมอพระเนรดุด่าว่ากล่าวไปเรื่อยๆแม้แต่เวลาแจกอาหารสาคัญที่มาชุมุมกันนี่ตอนนี้ได้ดุแล้วเวลาจะดุแล้วไม่ได้ว่าใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ไม่สําคัญเพราะมุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพูด ไม่พูดผู้นี้ไม่เข้าใจคนอื่นที่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องหรือล่ะก็อาจจะคิดปัญแย่ต่างๆแต่เราไม่สนใจในความคิดเหล่านั้นของคนเราสนใจในประโยชน์ที่จะคุณได้เพราะการแสดงออกของเราและผู้ฟังจะได้คติในขนาด น, นั้นเท่านั้นถนึงเน้นลงไปเสมอว่าสติปัญญา สติปัญญาอยู่นั้นแม้แต่มรรคแปดก็ยังมีสมาธิขี่ขึ้นต้นความรบอบครอบถ้าคนก็ต้องเป็นหัวหน้า ง, งานคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้า ง, งานเมื่อหน้างานใดฉลาดงานนั่นๆลูกน้องก็ดีงานก็ได้ผลดีถ้างโง่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ไม่นำซ้ำยังทําให้งานนั่นถดท้ายไปด้วยให้ทำรับผู้อื่นเสียไปด้วยไม่น้อยเกีย่ยวกับการปกครองของตนมีกว้างแคบขนาดไหนเป็นสําคัญแล้วที่อยู่ในวงวัดเนึ่งก็พอทราบได้วันใดถ้าครูวาจะครูวาอาจารย์มีความเข้มงวดขวัขันกับพระเนมดูพระเนมวันนั้นก็น่าดูาวันไหนอาจารย์ใจดีไม่ค่อยใจ อะไรกับพระกัมเร็งก็เพลพินๆผ่า น, นดูแล้วก็ไม่น่าดูหรืออาจจะขึ้นอยู่กับผู้หัวหน้านนอีกด้วยใครก็พิจารณาไม่ออกเราไม่กล้าจะวินิจฉัยวัดท่านอาจารย์มั่นอย่างนี้ใครเข้าไปก็เข้าไปจะเป็นระเบียบเดียวกันหมดเพราะท่านเข้มงวดกวดขันตาก็เป็นครูมองไปไหน มันก็เหมือนอย่างที่เขาเขียนด้วยหมายมาเหมือนกับพามหัวใจเป็นอย่างนั้นเพราะตาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมีความหมายไปด้วยทิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีความหมายไดปหมดท่อกมาจากใจแห่งความหมายใจเป็นธรรมชาติที่มีความหมายอย่างยิ่งยิ่งใจเป็นทำทั้งดวงด้วยแล้วการแสดงออกก็ต้องมีความหมายไปทั้งนั้น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 ไปก็ไปอยู่ก็ดยูไปอย่างนั้นไม่วก็สนใจในเหตุในผลในแง่ต่างๆที่ท่านแสดงออกก็ เ, เลยถือเป็นธรรมดาแล้วบางทีท่านพูดทีเล่นทีริงก็เลยทำให้สนุกสนานรื่นเรงไปเทีย้ยโดยไม่คิดหาเหตุหนาะผลเพราะจะเป็นประโยชน์แก่ตนเลย น, นี้มีจานวนมาก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 แต่กลัวปไหนคนในโลกนี้ปักขาเต็มตัวนะต่างดีกันมาไปอยู่สถานที่ใดที่จะไม่ตายถึงเวลาแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ทําให้เคยปรากฏนี่ที่มันตายล่มจมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์โทษความโง่พาให้ตายนะตายด้วยความชัาวละตายด้วยอัด้วยทำพระพุทธเจ้าท่านชมเชยชมเชยสนเสริญมากถึงสอนพระลูกบูรเนาสนางใไปหาอยู่ในต้นไม้ชายเขาที่ไหนที่จะเป็น ที่บำเพ็ญได้รับความสะดวกสบายให้ไปสู่สถานที่นั้นนั่นบังเองิญไงพรเพุทธเจ้าไม่สอนคนให้สอนพระไปให้ตายน่ะสอนพระไปให้ฆ่ากิเลสให้ตายในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทรงบําเพ็ญมาแล้วอย่างนั้นจึงแนะนําเหตุผลที่เคย ป, ปฏิบัติมาและได้ผลมาแล้วมาสั่งสอนมรรดาสาวกทั้งหลายทําไมเราจะกลัวจะตายแล้วหนีพ้นไหมล่ะความตายงาน เวลาท่านเด็ดท่านเด็ดจริงๆไปที่สถานที่ไหนที่กลัวมากๆนั่นแหละเป็นที่ที่เลดจะได้หมอบถ้าเป็นนักต่อสู้ถ้าคนขี่ขลาดกลัวแล้วไปที่ไหนก็จะไปชั่นเทาเทาไม่ได้เรื่องอะไรเลยี่แม้จะอยู่กับหมู่กับคณะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนั้นเข้าในป่าก็เป็นแบบนั้นอยู่ในกัหมู่กับคณะก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเก่านั่นแหละแบบไม่เป็นท่านานต่างเวลาทำผู้ น่าฟังแล้วผู้ที่มุ่งต่ออาตธรรมไปแล้วใจมันต้องสั่นเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆทีเดียวพอได้ยินท่านตุกประสาทปลุกจิต ป, ปลุกใจมันเหมือนจะหอเหมือนเดินฟ้าทั้งทั้งที่ไม่มีปีกคือจิตมันห้าวหานนั้นเด็ดเดี่ยวทา้าไม่ปิดแล้วไปก่อนนั่นแหละอันนั้นน่เป็นคติไปด้วยยิ่งไปสู่สถานที่น่ากลัวดังที่ท่านว่าแล้วอันนี้ขึ้นแหละอะท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ นราสอนเรามาให้เพื่อความตายนะท่านสอนมาเพื่อทำท่านสอนมาวิธีใดจะเป็นจะตายให้มุ่งต่อตอัตตธรรมเอาเธอความตายนี่มอบไว้พฤกษติธรรมดาทําจะเกิดด้วยวิธีใดให้เข้มแข็งนี้พิจารณาปุดค้นขึ้นมาให้รู้เห็นภายในจิตใจจินก็ห้าวหานเสือก็ห่มก็ห่เมเนี่ยก็เอาเสือก็เสือเสือก็ตายเหมือนเราเราก็ตายเหมือนเสือ เสือกินเราแล้วเสือเราเสือก็จะตายเราตายในวันนี้เสือตายในวันหน้านี่มันอาจหารนะความอานหานนี่มันเลยไม่กลัว ท, ทั้งที่เสือก็เป็นสัตว์เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้ถือเป็นอันตรายในขณะนั้นเพราะทำข้อ น, นี้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องปลูกจิตปลูกใจให้เกิดความข้าหารเดินจงกรมได้อย่างสะดวกสบายแต่จิตไม่ได้ส่งนะต้องจิตเป็นธรรมทั้งนั้น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 ไปที่ไหนไปได้หมดเมื่อสัะความตายเสียเท่านั้นในขณะเช่นนั้นเหมือนกับเป็นภาคที่ริ้วฝืนหนึ่งไม่มีคุณค่ามีราคาในะส่วนร่างกายนี้เลยอะไรจะเอามาไปก็เอาไปเถอะแต่เรื่องธรรมถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่งเหนือจิตใจจิตมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งนั้นเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่ได้นั่งอยู่ไหนก็สบายไปหมดเสือก็หืมก็หืมก็ไม่สนใจไม่กลัวเสือก็สัตว์โลกอันเดียวกัน คยจะเก็ดท้ายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันลงนี่หมดเสียหนึ่งจิตมันยิ่งตั้งท่าตั้งทางอาดหารเรื่องเรื่องในอัดในธรรมส ต, สติสตางอยู่กับตัวเย็นอกปุ่มก็ถูกเย็นก็ถูกเหมือนคูมือนอาจารย์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนหัวใจไปที่ไหนก็อบอุ่นหมดนี่คือทำอยู่ภายในใจเป็นเช่นนั้นนี่เคยเป็นมาแล้ว ที่ขาดก็อยู่ที่นี่คนคนนี้แหละแต่เวลามันอาหารก่อนได้เห็นประจักษ์ภายในตัวเองเพราะความฝึกความท ร, รมานนั่นเองยิ่งอาหารได้ไม่ใช่มันอาหารที่นมาเฉยอาหารด้วยการฝึกผลท ร, รมานด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกันความกลัวทั้งหลายก็สลายตัวลงไปฝากระหารเกิดขึ้นมาแทนที่เดินอยู่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นความตายาสัตว์นายตัวนั้นตัวนี้ไม่ไปสนใจเลย หมุนดูกับทาความสงา่างภาพเผยภายในจิตใจองาอาจก้าหารอยู่ภายในนี้เดินไปได้กี่ชั่วโวงไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเวลามานั่งเอาให้สงบกันแนวลงไปเลยเวลาออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็าหมุนติวติวติวใเป็นขั้นของสมาธิกับปัญญาที่เกี่ยวโยงกัน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 คนทั้งโลกมีเราคนเดียวเท่านี้ไม่หวังพึ่งใครเป็นกับตายก็เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองเอาตาก็ตายไม่จาเป็นจะต้องมาหาอะไรมาเผาศพเผาเหม็นการตัดตายยังในโลกไม่มีใครไปเผาศพมันเราทําไมจะหาคนมาเผาศพล่ะเป็ย่างนะนั้นอ่ะอิจิคือความปลุกตัวเองตายนะก็ตายตายปเป็นรัศดานอะไรหัวมันอะไ ร, ม, ะไรมันตายมันใช้ไม่ได้แล้วถึงตายแล้วเป็นหัวมันอะไรอีกหรืหวงสิ่งที่ใช้ไม่ได้น่ะ เวลาที่ใช้ได้นี่ใช้ที่เราจะให้เป็นประโยชน์อะไรใช้ลงไปเอาให้เต็มไม่เต็มหน่วยเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มความสามารถให้รู้อย่างถึงใจอุบายวิธีปลุกตัวเองคิดก็ห้าวหานอูคนเดียวกับรุ่นเริงรุ่นเริงพานาจิตกับธรรมนี่มันผิดกับรุ่นเริง กับสิ่งทั้งหลายอยู่มากรุ่นเริงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปหายไปเรือเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงพลาดพลาดจากกันไปแล้วกระเศร้าเป็นทุกข์ขึ้นมาด้วยความเศร้ารื่นเริงในธรรมอยู่ที่ไหนก็รุ่นเริงอดอิ่มก็รุ่นเริงความทุกข์ความลําบากเพราะการปุกทรมานมันก็รุ่นเริงเพราะรื่นเริงอยู่ที่ใจใจไม่กเจ็บท้องปวดหัวงเหมือนกับร่างกายมันเจ็บมันปวดพเพราะ ก, กิเลสเจียบทแทงต่างหาก พอเรามีความเพียรปราบยี่เหลียดตัวเสร็จแทงอยู่โดยสม่ำเสมอยิเหลียดตัวไหนจะมาเจ็บแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลำบากมันจะทําให้จิตเป็นไข่เหมือนร่างกายเป็นไข่โดวยี่เหลียดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พอเราปราบยี่เหลียดอยู่ตลอดเวลาท่านบัณฑิตคือบาอาจารย์ผู้ติใจได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมาก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 ให้ลผลอย่างท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยคนและนิสยัยการ น, นาเพนมาต่างกันยากก็ต้องทําแกเราง่ายก็เอายากก็ทํารับหมดภาระที่มีในตัวของเราเราไม่รับไม่มีใครจะรับให้เราไม่แก้ไม่มีใครจะแก้ให้เราต้องเป็นคนแก้เราเองอัตตปพนุลาโถประเภทนี้อยู่ตรงนี้นำมาใช้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 อะไรที่จะพึ่งตัวเองทีนี้มาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็ต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อให้อุบายแนะนําสั่งสอนพอได้รับธรรมจากท่านแล้วเอาเอาธรรมเข้าไปแก้ไขจัดแปลงหรือฝึกผลทรมานตนเองเพื่อความพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัตินั้นๆ น, นถึงนานเวลานี้ให้ยน่นขมาตรงนี้วังพึ่งตัวเองอยู่เสมอจิตจเราจะมีความเข้มแข็งเราจะพึ่งคลายทั้งนั้นแหละ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 ทั้งๆที่ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตามอน่อมธรรมชาติของมันแต่าเรารู้ตามความจริงมันเสียด้วยปัญญาของเราแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆนั้นไม่ได้มาเป็นเครื่องกดถ่วงใจิตใจเราอะไรเลยนอกจากเราไปแบกไปหามเพราะเรืความรู้หนงตนเองเท่านั้นจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านสอนทำท่านสอนเพื่อให้รู้ความจริงของแต่และอย่างอย่างละออยอย่่าางงนี้เองมันไม่มากไม่น้อยมันมีท่อขันนี่แหละไม่เลยจากนี้ไป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 ไฟก็เป็นของร้อนไฟเองยังไม่ทราบความหมายจนว่ามันร้อนทําไมเราจะไปจับไฟให้เกิดความร้อนจากตัวเองเราี่ร้อนใครทร า, าบมันร้อนอย่ไปจับมันทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์อยไปยึดนั้นรู้ตามเรื่องของทุกข์นี่เรื่องก็มีเท่านั้นถ้าเราทราบแบบนี้แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์สบายถึงเรื่องกามจะเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองก็ตามเ้ืยองหน้าจแห่งความทุกข์ที่แสดงตัวขึ้นมาในขณะนั้นตามเรื่องของขัน ใจแล้วก็เย็นสบายเพราะความรู้เท่าทานกันแล้วไม่มีอะไรร้อนนอกจากใจพอใจรู้แล้วไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจนี่หลักอยู่ที่ใจที่ใจทั้งนั้นขอให้พิจารณาด้วยความรบอบคอบเถิดจิตต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นท่านยังมีบกพร่องที่ตรงไหนทุกจะแทะเข้ามาตรงนั้นตุนได้เพราะนั้นเราจึงต้องฟิต ฟิสิปัญญาของเราให้ทันสติให้ทันกับสิ่งเหล่ออานี้อย่าให้เข้ามาทำลายจิตใจได้ขันมันเป็นขันนวนวลทราบมันเป็นขันอยู่แล้วไม่ใช่เรารูปก็ทราบว่ารูปกายเป็อกองท่ากองขันอยู่แล้วเหตุทนาเรื่องความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นภายจิตใจนั้นก็เป็นขันอันหนึ่งอยู่แล้วเนยตผู้รู้เรื่องขันก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้ว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 เหมือนกันก็ขณะหน้าที่มันจะแสดงขึ้นมาภายในตัวของเรานี่แหละเป็นสัจจะอันเดียวกันสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอันเดียวกันใช่รู้เท่าทันอันนี้แล้วในการข้างหน้าจึงไม่มีปัญหานันเป็นสัจจะด้วยกันแต่ก็ให้มีอะไรเป็นความหมายพอจะให้เกิดเขาตกสถานธนจิตใจเรื่องขันมันแต่เฉย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 มันหิวกับพระกินเสียหายกับพาดื่มน้าเสียหม่วงอหัวนอนก็พานอนเสียเปลี่ยนยาบทก็เปลี่ยนไปเขียนีาพาราฮาเวเปัจจักขันธาแสดงชัดเจนให้ท่านเห็นมันมีมีอะไรที่มากาะกวนในโลกนี้โลกกว้างแสนกว้างมีอะไรมากาะกวนไม่เห็นมีอะไรมากาะกวนนอกจากขันที่เจ้าของรับผิดชอบอยู่เวลานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่กาะกวนอยู่ตลอดเวลา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 หรือรอบตัวแล้วจึงเป็นความสบายสิ่งภายนอกมันกลายแสนกลายมากอย่างไรก็เกี่ยวเนื่องไม่ไม่เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนขันเหมือนสรุปแล้วก็มีแต่ขันเท่านั้นเป็นตัวการให้เรารับผิดชอบผูมกมีกิเลสอยู่ก็อ้าวก็มีกิเลสเป็นตัวการแย่ก่อกวรให้วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอน ว่าแอ่มิามันรู้อยากก่อกวรเน่ะตัวนี้ก็เป็นตัวของม่รูตัวหนึนน่งคือตัวอธรรมมันชอบจะทําลายธรรมที่มีอยู่ภายใจิตใจของเราจะสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นมาเพียงเล็กเล็ ก, ลกลน้อยน้อยเนี่ยมันพยายามมาทําลายมาขีดมา ก, กันเรื่อยไป น, นี่เนี่ยตัวสําคัญตัวบาปตัวกรรมตัวเทวทัศน์มันอยู่ภายใน จ, จิตใจถ้าพยายามปราบ ตัวเทวทัศนภายในตัวของเรานี่เป็นประจำนิเทวทัศนโน้นเทวทัศภายในตัวของเรานี่แหละมันมาทำทุกข์แกเราเทวทัศ์ท่านมันเลยมาทําให้ใครเทวทัศน์ที่อยู่ในเรานี่หละมันทําลายเราอยู่ตลอดอีกกันรู้ยแยก่อกวนหลอกลวงปิ่นจรอนไทราบว่ากีเนี่ยกีมุมวันหนึ่งวันหนึ่งตลบทบกทัวนับไม่ได้ด้วยคนมายาของกิเลสตัวเทวทัศน์นี้ มันถึงต้องแก้ที่นี่ปราบกันลงที่นี่ตัวค่าศึกมันอยู่ที่นี่สติปัญญาให้พอให้กดค้อนขึ้นมาพิณิพิจน า, าโดยเอาธาตุเอาขันเป็นหินรับสติปัญญาพิจารณาให้ดีหินรับปัญญาที่เหมาะสมที่สุดก็คือธาตุขันของเราเนี่ยทุกปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันทุกเนี่ยมันทุกอย่างนี้เนี่ยสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ ข, ข, ของขังของทาตุขงขันนี่ก็เพราะความเกิดเนี่ย สาเหตุอนหนึ่งก็เพราะว่ามีโรคนี้ภัยเป็นสิ่งที่ช้อนใายมันอยู่ภายในนั้นรบกวนดูดดังแกมอยู่มันก็แสดงตัวออกมาสาเหตุอันยิ่งใหญ่ก็คือเพราะความเกิดนั่นเองมันถึงได้ว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องชราปิดดกขาพยาธิปิดดูขาพยาธิติดดูกาเขเรื่อยอยไปมันนาไปดุูขังนั่งว่าไปความเกิดเป็นทุกข์ชราปยาธิเป็นความทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เรื่องทุกข์กริสัเป็นอย่างนี้ทันว่า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 หมุนเข้ามาที่นี่เพื่อทัดรังขันก็ไกลไปจนถึงได้ว่าห่างไปแล้วแกเข้ามาที่นี่มันถึงเห็นตัวสํ า, าคัญขา้างมันคือกิเลสภนะกิตวาดภาพหลอกเรานน้นเราก็เชื่อวิ่งตามภาพของมันหลอกไปตัวจริงมันอยู่ข้างหลังเรานี่ฮ <c oughs> ันถึงเอาก็จกขวางหน้านมองเห็นเงาตัวเองคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้ ถ้าเห็นเรื่องของกิเลสมันดูที่ใจนะฮะ้าเกิดกับตัวนี้ภาแก่ภาเจ็บภาตาเป็นพกเป็นชาติเป็นธาตเป็นขันก็คือตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ดับไปแล้วธาตุขันมันเป็นขึ้นเป็นนิบาสคือผลของมันก็เป็นกาดไปเถียะสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้แล้วพานาจิตใจเหนี่ยมหาสมบัติคืจิตทของเราจิตของใจและบริสุทธิ์เป็นมหาสมบัติเป็น ท่านท่านขึ้นไปจนกระทั่งเป็นความรูร้รประจุยินเดียวว่ามหาสมบัติเต็มภูนี่ล่ะเป็นสาระสําคัญภายในตัวของเราไม่เท่านี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้เรียนยากงนะเรียนเรื่องจิตที่จะให้ทราบจิตอยู่ในภายในขันมันรู้ไปหมดทุกแห่งทุกผนสูงต่ําในบรรดาร่างกายของเราความรับทราบความรู้มีเต็มไปหมดมันรับทราบไปได้หมดเลยถือตัวจริงไม่ได้ว่าอะไรคือจิตนี่ ต้องเรียนด้วยหลักจิตตพวนาเพียงแคทราบย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงตัวจริงคือตัวจิตเอเรียนจิตจบแล้วมันก็หายสงสัยเรื่องทั้งโลกทั้งหมดหายสงสัยหมดหายสงสัยแล้วทุกข์ก็ไม่มีจะมีมาจากไหนนักรบ ลบขัพทิเลต์นี่นเป็นนักรบสู่ด้วยเลต์ที่เป็นตัวภัยของเราแก้ตัวภัยปราบคามตัวภัยให้หมดไปแล้วเราก็สิ้นภัยหมดภัยไม่มีอะไรเป็นภัยถึงแดนอังกเสฤษท่านว่าถึงแดนอังกฤคือแก้สิ่งที่เป็นภัยแล้วมันก็หมดเรื่องมันท่านั้นน่ะ